ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตรฐันนสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินนยะสังฆะอัตกคถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการัชนาพระมหาอาคมธรรมมาขโมยแปลเรื่องที่ส2ิสองครุการปฏิวธตานะวินิชยกถาจะถามวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุการบัตตต่อ เรื่องสุดทันตะปริวาสก็จบไปแล้วสุดทันตะปริวาสนั้นมีสองอย่างก็คือจุลลสุดทันตะแล้วก็มหาสุดทันตะหมายถึงว่าสามารถที่จะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สําหรับจุละสุดทันตะสุดทันตะนั้นเลื่อนขึ้นไม่ได้แต่ว่าเลื่อนลงได้ก็คืออยู่ตามวันที่แน่ใจว่าปกปิดไว้สิ้นวันเท่าไหร่ก็อยู่ไปตามนั้นสําหรับผู้ที่มีความลังเลสงสัยหรือว่าไม่รู้วันที่ปกปิดอบัตไว้ก็ให้อยู่ ปริวาสประเภทสุทันตานี้ต่อไปก็จะเป็นสมุทานปริวาสที่ชื่อว่าสมุทานปริวาสมีสามอย่างคือโอทานะสมุทานหนึ่งอัคระสมุทานหนึ่งมิสกะสมุทานหนึ่งสมุทานนี้ก็หมายถึงการจำวน ต, ตรกลงปริวาสนั้นมีสามอย่างในที่นี้เอาเรื่องของการอยู่ปริวาสสามอย่าง ก็คือปฏิชนะปริวาสปริวา ส, วาสที่ปกปิดไว้ ห, หนึ่งแล้วก็สุดทันตะปริวาสปริวาสที่ปกปิดไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งสุดทันตาปริวาสก็แยกเป็นสองก็คือเป็นจุลัสุดทันตะกับมหาสุดทันตะแล้วก็สมุทนปริวาสซึ่งสมุทนปริวาสก็แยกเป็นสามคือโอทานะ สมุทานอย่างหนึง่งอักคะสมุทานอย่างหนึง่งแล้วก็เมสกะสมุทานอย่างหนึง่งมาดูความหมายในบรรดาสมุทานทั้งสามนั้นที่ชื่อว่าโอทานสมุทานท่านเรียกปริวานที่สงผึงเลิกคือล้มวันที่ได้อยู่ปริวานแล้วเสียกระมวลอาบัตที่ต้องภายหลังลงในกำหนดวันเดิมแห่งอาบัตเดิมให้แก่ทิสุผู้ต้องอาบัตในระหว่างแล้วปิดไว้อีก ก็คือขณะที่อยู่ปริวาสไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็ต้องอบัตสังฆาทิเกตไว้แล้วก็ปิดไว้อีกเพราะฉะนั้นเลิกที่กำลังอยู่ปริวาสเลิกไปเลยเมื่อเลิกแล้วก็ประมวลอาบัตทั้งสองนั้นร่วมกันในโอทานะสมุทานนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พิกสุใดรับปริวาสเพื่ออาบัตที่ปิดแล้วกำลังอยู่ปริวาสหรือเป็นผู้ควรแก่มานัทหรือ กำลังประพฤติมานัดหรือเป็นผู้ควรแกอ่อภันไม่ได้เก็บวัดต้องอาบัติอื่นแล้วปิดไว้เท่าราตรีของวันเดิมหรือว่าย่อนก่างก็ดีสงพึงเลิกวันที่อยู่ปริว่าแล้วและ ว, วันที่ประพฤติมานัดแล้วเหล่านั้นทั้งหมดคือทำให้เป็นวันที่ใช้ไม่ได้ประมวลอาบัติที่ต้องภายหลังลงในอบัติเดิมให้ปริวาาแก่พิจุนั้น ด้วยมูลายะปฏิกสนะมูลายะปฏิกสนานี่หมายถึงว่าการชักเข้าหาอาับัตบเดิมอันนี้หมายถึงว่าถ้าต้องอบับดับแล้วปกปิดไว้เนี่ยเท่ากับที่เคยปกปิดไว้ของอบับดับตัวแรกหรือว่าย่อนกว่าจึงจะชักเข้าหาอาับัตบเดิมอย่างนี้ได้ถ้าอาับัตบเดิมปิดไว้หนึ่งปักคือสิบห้าวันอันตราบัตดคืออับัตบในระหว่างนั้นปิดไว้ย่อนปักคือย่อนกว่าสิห้าวันนั้น พึงอยู่ปริวาสตลอดหนึ่งปักอีกก็คือให้อยู่ปริวาสอีกสิบห้าวันแม้ถ้าอันตราบัตรปิดไว้หนึ่งปักคือปิดไว้สิบห้าวันเท่ากันกับอาบัตเดิมเลยพึงอยู่ปริวาสตลอดหนึ่งปักเหมือนกันด้วยอุบายนี้พึงสร้างวินิจฉัยจนถึงอาบัตเดิมที่ปิดไว้หกสิบปีจริงอยู่ที่สุผู้อยู่ปริวาสครบหกสิบปีแม้เป็นมานัตราระหะก็หมายถึงผู้ที่ควรจะมานัตแล้วปิดอันตราบัติ ไว้วันหนึ่งย่อมเป็นผู้ควรอยู่ปรวิวาตอีกหกสิบปีก็อยู่กันจนทั้งตายเมื่อกระทำมูลายยะปฏิกัชนะเพื่ออาบัติที่ต้องแล้วแม้ในการประพฤตมานัดหรือในการเป็นผู้ควรแก่มานัดวันที่ประพฤตมาแล้วก็ดีวันที่อยู่ปริวาตแล้วก็ดีทั้งหมดเป็นอันล้มเลิกแล้วด้วยประการชนิคือจะอยู่ปริวาตมากี่วันกี่วันก็แล้วแต่ ปกปิดไว้เช่นปิดไว้หนึ่งปีปิดมาหนึ่งปีนะแล้วก็อยู่ปริวาสได้สิบเอ็ดเดือนแล้วเหลือเดือนเดียวจะพ้นแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ไปต้องอบัตสังกัดพิเศษแล้วก็ปิดไว้วันเดียวเป็นผู้ที่สมาทานวัดแล้วก็ต้องอบัตตัวหนึ่งปิดไว้วันเดียวนะทําสมูทานปริวาสใหม่ชักเข้าหาอาบัตเดิมเพราะว่าอันนี้มันมีอันตราบัตในระหว่างที่ประพฤติวัดมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้ว เพราะฉะนั้นก็นับราตรีต่อไม่ได้แล้วต้องประมวลเข้าหาอาบับดับเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสใหม่อีกหนึ่งปีแม้ว่าอยู่ปริวาสหนึ่งปีครบเรียบร้อยแล้วนะขอมานัฐขอมานัฐอยู่ไปได้ห้าวันแล้ววันที่ห้าอีกวันเดียวจะพ้นแล้วนะวันที่ห้าต้องอบับดับสังขารทิเศแล้วปกปิดไว้อีกหนึ่งวันอันนี้ก็ต้องชักเข้าหาอาบับดับเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสใหม่อีกหนึ่งปีแล้วค่อยมาอยู่มานัฐแล้วจึงอภาน เพราะฉะนั้นเรื่องของอาบัตสังกราริเศษถ้าปกปิดไว้เนี่ยมีโทษแล้วก็ยุ่งยากมากจะต้องอาศัยสงมาทํากรรมให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรในการเนี่ยต้องอาบัตสังกราริเศษนี้เลยก็ต้องระวังอย่างมากก็ถ้าพิจุผู้เก็บวัดต้องอาบัตอีกไซย่ย่อมเป็นผู้ไม่ควรแก่มูลายะปฏิการนาอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะว่าถ้ากําลังอยู่ปริว่าอยู่หรือว่าอยู่ไปว่าแล้ว แล้วกําลังของมานัทแล้วประพฤติมานัทอยู่ถ้าต้องอาบัติในระหว่างนี้ก็เรียกว่าอันตราบัตต้องชักเข้าหาอบัตเดิมแล้วก็อยู่ปริวาตใหม่ประมวลของเก่าประมวลของใหม่เข้านในของเก่าอันนี้หมายถึงว่าถ้าปกปิดไว้ไม่เกินที่ปกปิดไว้ของเก่าบัติเก่าเนี่นะอันนี้ต้องชักเข้าหาบัตเดิมแต่ถ้าอยู่ปริวัตแล้วหรือว่าประพฤติมานัทอยู่ก็าตามแล้วเก็บไว้ พอเก็บวัดแล้วต้องอบดับสังฆาทิเศตแล้วก็ปกปิดไว้อันนี้ไม่ต้องชักเข้าวอาบดับเดิมไม่เกี่ยวกันเพราะว่าต้องไปอยู่ปริวาต์ต่างหากเพราะว่าไม่ได้เป็นอันตราบัตรไม่ได้ต้องอบดับในระหว่างที่ประพฤติวัดอยู่เพราะฉะนั้นย่อมเป็นผู้ที่ไม่ควรแก้มูลอา ย, ยะปฏิการนาก็คือไม่ต้องชักเข้าหาอบดับเดิมถามว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่เธอไม่ได้ต้องในขณะประพฤติปริวา เธอตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ปกติตะแล้วต้องเะนั้นเธอควรแยกประพฤติมานัดเพื่ออาบัตินั้นนี้ต้องพิจารณาให้ดีถ้าเธอผู้เก็บวัดต้องอาบัติแล้วปิดไว้ไซตต้องอยู่ปริวาส ด, ด้วยก็คืออยู่ปริวาสตังหะแตอยู่ปริวาสของเก่าให้จบก่อนทำกรรมออกมานัดสมาประมวลมานัดด้วยกันก็ได้อยู่มานัดงแค่หกราตรีเท่านั้น ก็คืออยู่ปริวาติของเก่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอยู่ปริวาตของใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจึงขอมานัดรวมกันอาบัต ท, ที่ปกปิดไว้ครั้งแรกกับครั้งที่สองขอรวมกันเลยก็ได้แล้วก็ประพฤติมานะไปอบิ่านเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายกล่าวว่าก็ถ้าว่าอันตราบัตปิดไว้เกินกว่าอาบัตเดิมเล่าก็คือ ต้องอาบัตใหม่ในระหว่างที่ประพฤติปฏิว่าหรือมานับเนี่ยแต่ว่าปิดไว้เกินกว่าอาบัตเดิมจะพึงทําอย่างไรในอาบัตนั้นพระมหาสุมาเถระกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นอเตกิจฉาก็คือเหยี่ยวยาไม่ได้ธรรมดาบุคคลที่เป็นอเตกิจฉาหรือว่าเตกิจฉานั้นก็ควรให้ทําให้แจ้งแล้วปล่อยเสียควรให้ทําให้แจ้งแล้วปล่อยเสีย ก็หมายถึงให้อยู่ปริว่าไปอยู่ปริว่าไปเท่าที่สามารถที่จะอยู่ได้แต่ว่านี่นี้เหมือนกับว่าให้ปล่อยไปตามกรรมความจริงแล้วไม่เป็นอเตกิชฌหรอกเพราะว่าฝ่ายพระมหาปทุมเถระกล่าวว่าพระเหตุใดบุคคลนี้จึงชื่อว่าเป็นอเตกิชฌาเล่าธรรมดาว่าสมุจยะขันตกะก็คือในคันธกะพระวินัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ที่ต้องอาบัตสังการพิเศษแล้วก็ประพฤติวัดประพฤติกรรมอยู่ปริวาทมานัณเขาเรียกว่าสมุจยักษันธกะย่อมเป็นเหมือนการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังทรงพระชนอยู่ขึ้นชื่อว่าอาบัตจะปิดไว้ก็ตามไม่ได้ปิดไว้ก็ตามปิดไว้เท่ากันก็ตามย่อนก็ตามแม้ปิดไว้เกินก็ตามทีข้อที่พระวินัยทรเป็นผู้สามารถประกอบกรรมวาจานั่นแหลเป็นประมาณในการเยียวยาอาบัตินี้ เพราะฉะนั้นอันตราบัตรปิดไว้เกินกว่าพึ่งทำอันตราบัตรนั้นให้เป็นอาบัตรเดิมประมวลอาบัตรนอกนี้ลงในอาบัติเดิมนั้นให้ปฏิว่าดังนี้ชื่อว่าโอทานะสมุทานเพราะฉะนั้นถ้าต้องอาบัติใหม่เกินกว่าอาบัตรเก่านั้นก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าความชาราดอยู่ที่พระวินยทรหรือว่าวิสุผู้ชาราผู้สามารถนั่นแหละจะแต่งกรมวาจาให สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้เพราะว่าอาบัตหนักเนี่ยมีสองอย่างก็คืออาบัตตราชิพเป็นอเตกิจฉาเยียวยาไม่ได้แต่ว่าอาบัตสังกัดทีเศษนั้นเป็นสเตกิจฉาต้องเยียวยาได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็คงจะต้องแสดงแล้วว่าอาบัตสังกัดทิ่เศษก็จะมีแบบประเภทอเตกิจฉาอย่างหนึ่งแล้วก็สเตกิจฉาอย่างหนึ่งก็คงจะแสดงอย่างนี้แต่ว่าไม่เลยพระพุทธเจ้าแสดงว่าอาบัตสังกัดทีเศษนั้นเป็นสัตเตกิจฉาต้องเยียวยาได้เพราะฉะนั้นเมื่อต้องอาบัติใหม่ ก็คือต้องอบัตแล้วก็อบัตเก่ามีการปกปิดไว้น้อยกว่าอาบัตใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องประมวลอบัตเก่าลงในอบัดใหม่ทําอบัดใหม่ให้เป็นอบัตเดิมเสียเป็นมู ล, ลายะปฏิกสนะเป็นมูลก็คืออยู่ตามวันที่ปิดไปมากอยู่ปฏิวัตปิดไว้ตามวันที่ปิดไปมากแล้วพระวิเนทหงก็แต่งกรรมวาจาให้สามารถที่จะแก้ไขได้ แล้วขณะที่ตั้งใจแก้ไขแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนแม้ว่าจะปกปิดไว้สี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีก็แล้วแต่อายุของตัวเองก็คงจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะว่าในเมื่อตั้งใจในการที่จะออกแล้วเหมนผู้ที่มีความละอายตั้งใจในการประพฤติแล้วไม่ได้เป็นเครื่องกั้นต่อมาผลสวรรค์เพว่าที่สูญที่ต้องอบัติแล้วตั้งใจในการที่จะแสดงคืนแต่ว่าเมื่อไม่เจอพระพิโต หรือว่ายังไม่มีโอกาสในการแสดงคืนแล้วก็าสามารถที่จะมีสติสัมเชิ ญ, ญาที่รู้ว่าตัวเองนั้นมีความละอายต่อบาดไม่ได้ตั้งใจปกปิดอาบัตไม่เรียกว่าเป็นอารัชีแล้วก็อาบัตินั้นก็ไม่ได้เป็นเครื่องกั้นกับบางคนที่ผ่านด้วยเพราะฉะนั้นบางคนสงสัยว่าถ้าขณะที่อยู่ปริวาสแล้วยังไม่ได้อยู่มานักยังไม่ได้ออกกัภาเนี่ยถ้าลตล์ในระหว่างนั้นจะไปอาบัยภูมิหรือเปล่าอันนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้ามีเจตนาในการนี้ทําให้บริสุทธิ์อยู่ มีความเรื่อมใสต่อพระรัตนตรัยในการที่จะประพฤติตามพระวินัยบัญญัติก็คืออยู่ปริวาทหรือว่าอยู่มานับแล้วแม้ยังไม่ได้ออกอากานก็ไม่ได้เป็นเครื่องกั้นของมรรคผลแด่อย่างใดเพราะว่าที่จะเป็นเครื่องกั้นนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่แกล้งล่วงอาบัตรหรือว่าเป็นอาบัตแล้วตั้งใจไม่แสดงคืนอันนั้นถึงจะเป็นเขาเรียกว่าอนาวีติกรรมันตรายเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลแล้วก็สวรรค์ อันนี้ก็เรียกว่าโอธานะสมุทานสงฆ์เมื่อจะให้โอธานะสมุทานนั้นชักอาบัตที่ต้องก่อนไว้ในอาบัตเดิมแล้วจึงให้ปริวาสในภายหลังก็คือทำอาบัตใหม่ให้เป็นอาบัตเดิมแล้วก็ชักอาบัตที่ต้องไว้ก่อนนั้นน่ะมาร่วมมาเข้ากับอาบัตเดิมอาบัตเดิมที่ต้องใหม่ทั้งเป็นมูลเป็นอาบัตที่มีอายุการปกปิดไว้มากกว่า ถ้าพิกษุบางรูปกำลังอยู่ปริวาติเพื่ออาบัตที่ปกปิดไว้หนึ่งปักสิบห้าวันไม่ได้เก็บวัดเลยต้องอาบัตในระหว่างปกปิดอาบัตไว้ห้าวันอีกพิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์กระทํผภาคอุตราสงฆ์ชวิงบาว่ายพิจษุทั้งหลายที่แก่กว่านั่งกระโยงประคองอัญเชลีแล้วก็กล่าวอย่างนี้เป็นคาขอมูลายะปฏิการนาคือต้องอาบัต ทีแรกไว้ปักหนึ่งสิบห้าวันแล้วก็อยู่ปริวาตไปในระหว่างนั้นไม่ได้เก็บวัดต้องอาบัดใหม่อีกห้าวันปิดไว้ห้าวันก็ประมวลอาบัดใหม่เข้าหาอาบัดเดิมก็คือต้องอยู่ปริวาติอีกสิบห้าวันปักหนึ่งนั่นเองคำขอก็อย่างนี้ว่าอะหังผันเตสัมบาุลาอาอาปาติโยอาปาชิงปักขาปฏิชัญนายอ โสหังสังขังสัมบ اؤ ลานังอาปาตินังปะคาปติชนนานังปะคาปริวาสัญญาจิงตาสเมสันโตสัมบ اؤ ลานังอาปาตินังปะคาปติชนานังปะคาปริวาสัญอาดัสโสหังปริวาสัญโตอันตราสัมบ اؤ ลาอาปาตโยอาปาชิงปัญชาปติชนาย โตหังพันเตสังขังอันตระราสัมบูลานังอาปฏินังปัญจาหาปฏิชนานังมูลายาปติกัสสนังยาจามิอันนี้ก็เป็นการขอมูลายะปฏิกสนานยังไม่ได้ขอปริวานหรอกขอมูลายาปฏิกัศนาพึงขอแม้ครั้งที่สองและพึงขอแม้ครั้งที่สามอย่างนี้จึงจะมาเพิ่มคําว่าพุตธิยมปิแล้วก็ตัดที่ยมปิ ขอมูลายะปฏิการนาก็พิษุกผู้ชราผู้สามารถพึงทำกรรมวาจาตามอำนาจของสงสวนประกาศให้สงทราบกระทามูลายะปฏิการนากรรมวาจามูลายะปฏิการนาอย่างนี้ว่าสุมาตเมผันเตสังโฆ อายังอิทั o นาโมภิกขะสัมบอาหุลาอาปาติโยอาปาชิปะคาปาติชนนาโยโสสังขังสัมบอาหุลานังอาปตินังปะคาปาติชนนานางปะคาปริวาสังยาจิสังโฆอิทัณนามัสสะภิกุโนสัมบอาหุลานังอาปตินังปะคาปาติชนนานางปะคาปริวาสังอาสิโสปริวาสัณโตอันตระสัมบอุลาอาปติโย อาปาชีปัญจาหาปติชนนายโยโสสังขังอันตราสำบ่าวลานังอาปาตินังปัญจาหาปติชนานังมูลายาปฏิกัสสนาังยาจติยดีสังขสะปตะตลังสังโฆอิทัณนามังพิกุงอันตราสัำบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนานังมูลายาปฏิกัสไสยยะเอตายติ สุนารโตเมผันเตสโฆอย่งอิทันามภิกขะสับหุลาอาปัิโยอาปจจปปตชนนายโสสังขสับหุลานาอาปตินาปะขาปตชนานางปะขาปริวาสยาจิสัโฆอิทัณนามาสภิกขุโนสับหุลานาอาปตินาปะขาปตชนายนางปะขาปริวาสังอาดิ โซปริวาสั้นโตอันตระสัมบัหวลาอปัตยโยอาปะชีปัญจหาปฏิชนนายโยโสังข ang อันตระสัมบัหวุลานางอาปตีนางปัญจหาปฏิชนานงมูายปิกาัาจติสังโขยนนามังิคุงอันตรสัมบัหวลานางอาปตีนางปัญจหาปฏิชนานางมูลายปฏิการสติญาสั่ยญาสมโตธมติ อิทันนามาภิกุโนอันตร a ah an s a บา a ลานังอาปตินังปัญจหาปฏิชนานังมูลายปฏิกาสนาโสตุหัสยาสานักมติโสพาเสยยะอันนี้ก็เป็นอนุสาวนาครั้งแรกครั้งนี้สองก็ดุติยาปิเอตามทังวดามิสุนาตเมพันเตสังโขครั้งที่สามแว่า ตาติยามปีเอตมัทังวดามิสุนโอโตเนพันเตสังโคข้อความละเหมือนกันหมดสรุปตอนท้ายก็ว่าปฏิกัสตโตสังเขนิทัาโมภิโคอันตราสัมบหุลานางอาปตินางปัญจหาปฏิชนานางมูลายปฏิกัสนาธรรมติสังคสสะอัสมาตุนี เอวะเมตานธรยามิอันนี้ก็เป็นการให้มูลายฏิจักศนาก็แลสงพึงให้สมุทรานปริวาทอย่างนี้ก็คือหลังจากที่ขอมูลายะปฏิจักศนาก็คือชักเข้าห า, าบัดเดิมแล้วก็ต้องให้ขอปริวาสที่ส่วนนั้นพึงเข้าไปหาสง์แล้วก็กล่าวขอสโมโทรานปริวาทว่า อหัง a ันเตสัมบัคขุลาอาปาติโยอาปาชิงปะคาปปติชั่นนายโยโสหังสังขังสัมบัคขุลานังอาปาตินังปะคาปปติชั่นนายังปะคาปริวาสังยาจิงตัสสเมสังโฆสัมบัคขุลานังอาปาตินังปะคาปปติชั่นนายังปะคาปริวาสังอาดัสิโสหังปริวาสั้นโตอั t จาราสัมบัคขุลานังอาปาติโยอาปาชิงปัมจาหะปปติช e ่นนายโย โซฮังสังขังอันตระงสัมบัณหานังปฏีนังปัญจหาปฏิชนนานังมูลายปฏิกัสสนนังมูลิกตังมังสังโฆอันตระสัมบัณหานังปฏีนังปัญจหาปฏิชนนานังมูลายปฏิกัสติโซฮังพันเตสังขังอันตระสัมบัณหานังปฏีนังปัญจหาปฏิชนนานังปุริมาตุ อาปาติตโตสมุทานาปริวาสังญาจามิพึงขอแม็ครั้งที่สองพึงขอแม็กครั้งที่สาม 3. ให้ขออย่างนี้เทีสู่ผู้ฉราดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบพึงให้สมุทานปริวาทอย่างนี้ว่ากรมวจาให้สมุทานปริวาส ส, าวาสุนมาโตเมพันเตสังโฆ อาอย่างอิทนาโมภิกขสัมบบาลาน a ปติโยอาปจิปคาปะติชันนายโตสังขังสัมบลานอาปตนัปะขาปติชันนานัปคาปริวัสังยาจิสโขยธ่านนามาสภิกขโนสบบาลานอปตินัปะขาปติชันนานัปะขาปริวัสอาดาส โสปริวาสันโตอันตระังสัมบอาหุลาปาติโยอาปาชีปัญจหาปปิชันายโยสสังหังอันตระร a งสัมบอาหุลานางอาปาตินางปัญจหาปปิชันานางมูลายาปฏิกัสณังยาเชสังโขยทัณนามังภิกขุงอันตระสัมบอาหุลานางอาปาตินางปัญจหาปปิชันานางมูลายาปฏิกัสเ โสสัง h ังอันตราสัมบอาุลานางอาปาตีนางปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาตูอาปาตีสูสมุธานาปริวาสังยาจเตยดีสังคัสปตะกัลลานสังโขยสทนามาซาภิคุโนอันตรสัมบอาุลานางอาปาตีนางปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาตูอาปาตีสูสมุธานาปริวาสังดะเดียเอสาญติ อันนี้ก็เป็นวาจางประกาศให้รู้เรียกว่ายักติต่อไปอนุสาวนาสุนาตุเมผันเ ต, นเตนสังโฆอยังอิทัณ น, นาโมภิกขสัมบ่าวลาอาปาติโยอาปาชิปคขปติชั น, นายโยโสสังขังสัมบ่าวลานางอาปตินงังปคขปติชั่นนานางปคขะประิว่าสังยาเจสังโฆอิทัณ น, นามาสะภิกขโน สัม่าวูลานังอาปาตีนังปะคาปะเตชันนานังปะคาปริวาสั้นอาดาเซโปริวาสันโตอันตระสัมบ่าวูลานังอาปาติโยอาปาชิปัญจหาปะเตชันนาโยโซสังขังอันตระสัมบ่าวูลานังอาปาตีนังปัญจหาปะเตชันนานังมูลายาปฏิการสนาญาจีสังข่อยท่านามังพิกุงอันตระสัมบ่าวูลานังอาปาตีนังปัญจหาปะเตชันนานัง มูลายาปฏิกาเซโสตังขังอันตระสำบาหุลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาตุอาปาติสุสมุธานาปริวาสังยาจติสังโขยทั้นนามาสภิกขโนอันตระสำบาหุลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาตุอปาติสุสมุธานาปริวาสังเดเตยาซายยาสมโตขมาเต อิท่านนามสับหิกุโนันต a r a s a m ah an so so b a u l านังอปาตินังปัญจหาปติชนนานังปุริมาสุอปาติโตสมุธานาปริวาสสะดานังโสตุสัสายัสานัคมาติโสพาเตยยะคั้งที่สองก็ดูติยัมปีเอตมาังวดามิสุนโตเมผันเตสังโฆก็ความละเหมือนกัน ตาติยัมปิเอตมทังวดามิสุนาตเมผันเตสังโคข้อความละอนุสาวรครั้งที่สามก็เหมือนกันสรุปว่าดินโนสังเขนทันนามาสาภิกขุโนอันตราสัมบาวลานางอาปาตินางปัญจหาปฏิชนานางปุริมาสุอาปาติสุสมุทานปริวาโสขามติสังขสะ ตัสมาตุนีเอวเมตังธารยามิในเวลาจบกรรมวาจากิจทั้งปวงมีการสมาทานวัดเป็นต้นก็มีในดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแหลก็คือต้องมีการสมาทานวัดอันนี้ก็เป็นการขอปริวาเท่าทนั้นว่าเป็นสมุททานปริวาสมาทานวัดว่าปริวาสร้างสมาธิามีวัดตั้งสมาธิามิแค่นี้หรือว่าบทเดียวก็ได้ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็ได้ พอสมทานวัดเรียบร้อยแล้วก็บอกวัดบอกว่าก็คือบอกปริวัตนั่นแหละพึงบอกอย่างนี้ว่าคําบอกวัดในสมุทฐานปริวัตก็บอกครั้งเดียวนะอะหังผันเตสัมปะหลลาอาปฏิโยอาปัจชิงปคปะปิชัญนายโตหังสังขังสัมปะุลานางอาปตินางปคาปะปิชัญนานางปคเถปริวาตสร้างยาจริง ตาสเมสังโคสังบ่าวลานางอาปาตีนางปัคหาปปิติชันานางปัคหาปริวาสังอาดาเซโซฮังปริวาสันโตอันตระสังบ่าวลาอาปาตโยอาปาเชิงปัญชหาปปิต o ชั่นนายโซฮังสังถังอันตระสังบ่าวลานางอาปาตีนางปัญชหาปปิติชั่นนานางมูลายาป e ิกัสนางยาเิ ตังมังสังโฆอันตราสัมบัหวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางมูลายะปฏิกัติโสังสังขังอันตรายสัมบัหวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาสุอาปาติโสสมุธานาบริวารสังยาเชิงตาตเมสังโฆอันตรา a สัม a ัหวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานาง ปุริมาสุอปติตูสมุธานปริวาสังอาดาสิโสหังปริวะสามิเวดียามหังพันเตเวดียติติมังสังโคทาเรตูอันนี้ก็เป็นการบอกแก่สงฆ์ถ้าบอกกับที่สูตรูปเดียวก็เวดียติติมังอายะสมาธาเรตูถ้าบอกกับที่สุตรสองรูปก็เวดียติติมังอายะสมันตา ทาเรนโตถ้าบอกกับพิสุสามรูปก็ว่าเวดียติติมังอายส์มันโตทาเรนโตสงเมื่อจะให้มานัทแก่พิสุผู้อยู่ปริวานแล้วก็พึงให้เธอขออีกสามครั้งเมื่ออยู่ปริวานเรียบร้อยแล้วก็ต้องอยู่มานัทการจะอยู่มานัทก็ต้องขอมานัทก่อนเมื่ออยู่มานัทเรียบร้อยแล้วจะได้ให้อภาร ซึ่งการขอมานับคล้ายๆกับการขอปริวาสแต่ว่าเพิ่มข้อความพระวินัยตอนนี้จะต้องแต่งข้อความที่ให้สมกันว่าได้อยู่ปริวาสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตรวจให้ฟังแล้วกันไว้ต่อในวันส่งนี้วันนี้คอยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งใจมีศรัทธานในการศึกษาพ ร, ระวินยัยน้อมใจเป็นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีวิปัิสานก็เรียกว่าอาวิปัิสานก็จะเป็นปัจจัยแก่ความปราโมทความปีติทําให้มีความสงบมีความสุขจะทําให้มีสมาธิเกิดสมาธิก็จะเป็นบาทเป็นปัจจัยแก่ยถ า, าภูตะญาทัศน ะ, ะขพราะทัานทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงว่ า, น, น, า น, น, นี้ทุกข์นี้ทุกขฆตมุทย น, นี้ทุกขานิโรธแอะนี้ทุกขานิโรธะามนีปฏิปทาไฟตัสรูอริยสัจสี บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลโดยการไม่เนินช้าเร็ววันนี้ด้วยเทิมสาธุสาธุสาธุ